นามขันศีส่วนในขันนอกนี้เวทนาขันพึงทราบว่าเพราะรวมธรรมชาติที่มีการสวยรสซารมเป็นลักษณะ ส, สิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันสัญญาขันเพราะรวมธรรมชาติที่มีความจำได้เป็นลักษณะ ส, สิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันสังขารขันเพราะรวมธรรมชาติที่มีการประสมเจตสิก เป็นลักษณะ ส, สิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันวิญญาณขันเพราะรวมธรรมชาติที่มีความรู้แจ้งเป็นลักษณะ ส, สิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันในขันทั้งสี่นั้นเพราะเหตุเมื่อวิญญาณขันอันบุคคลเข้าใจแล้วขันนอกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงจะทำวรนน า, นา จับวิญญาณขันเป็นต้นไปวิญญาณขันก็คําว่าวิญญาณขันพึงทราบว่าเพราะรวมธรรมชาติที่มีความรู้แจ้งเป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกันดังนี้ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วถามว่าธรรมชาติอันมีความรู้แจ้งเป็นลนะักษณะชื่อว่าวิญญาณเป็นชไหน ตอบว่าธรรมชาติอันมีความรู้แจ้งเป็นลักษณะนั้นชื่อว่าวิญญาณดังพระสารีบุตรเทระกล่าวแก่พระมหากรทิตะว่าอาวุโสเพราะเหตุที่ธรรมชาติย่อมรู้แจ้งย่อมรู้ต่างๆเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณดังนี้คําว่าวิญญาณจิตมโน โดยเนื้อความก็อันเดียวกันวิญญาณนี้นั้นแม้เป็นอย่างเดียวตามสภาพโดยลักษณะก็คือความรู้แจ้งแต่เมื่อว่าโดยชาติแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกุศลอกุศลและอัพยากฤตกุศลและวิญญาณในวิญญาณสามอย่างนั้น กุศลวิญญาณมีสี่โดยภูมิคือกามาวจรรูปาวจร อ, อรูปาวจรและโลกุตระในสี่ภูมินั้นกามาวจรมีแปดคือโสมนัสอุเบกขาญาณและสังขารกามาวจรวิญญาณแปดอะไรบ้างคือวิญญาณโสมนัสสหคตายาณสัมปยุตเป็นอสังขาราหนึ่ง สังขาราหนึ่งที่เป็นญานวิปยุตเป็นอสังขาราหนึ่งสังขาราหนึ่งรวมเป็นฝ่ายสมณสหกตะสีวิญญาณอุเปกขาสหกตะญาณสัมปยุตเป็นอสังขารหนึ่งสังขารหนึ่งที่เป็นญานวิปยุตเป็นอสังขารหนึ่งสังขารหนึ่ง รวมเป็นอุเปกขาสหคตะสีรวมเข้าด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงเป็นแปดก็ในการใดบุคคลอาศัยความพร้อมมูลแห่งทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้นหรือเหตุแห่งโซมนัสอย่างอื่นเช่นเห็นอ น, นิสงเกิดศรัทธาเต็มเปลี่ยมเป็นต้นและเป็นผู้ร่าเริงยินดีทำความเห็นชอบโดยในยะว่าผลทานที่ให้แล้วมีอยู่เป็นต้น ให้ออกหน้าไม่ขยักขย่อนคนอื่นก็ไม่ได้ชักจูงทำบุญทาทานเป็นต้นในการนั้นจิตของบุคคล น, นั้นเป็นสมนั ส, สหกตญาณสัมปยุตอสังขารคือร่วมกับสมนัสประกอบด้วยปัญญาไม่มีใครจูงใจแต่ว่าในการใดบุคคลเป็นผู้ร่าเริงยินดีทำความเห็นชอบให้ออกหน้า โดยนัยยะที่กล่าวแล้วแต่มัวขยักขย่อนด้วยอำนาจแห่งความไม่เป็นผู้บริจาคแล้วยังไม่ปล่อยวางคือมีความอาลัยในทายธรรมก็ดีคนอื่นชักจูงก็ดีจึงทำในการนั้นจิตของบุคคลเช่นนั้นก็เป็นสัจสังขารคือมีผู้อื่นจูงใจก็แลบทว่าสังขารในอัฏฐานี้ เป็นคำเรียกบุพโยคะคือความริเริ่มเป็นไปด้วยอำนาจของตนหรือของคนอื่นก็ตามในการใดเด็กอ่อนที่มีความคุ้นเคยเพราะได้เห็นการปฏิบัติของคนที่เป็นญาติพบภิกษุเข้าก็เกิดโสมนัสถวายของที่มีอยู่ในมือนิดหน่อยก็ดีไหว้ก็ดีในการนั้น จิตดวงที่สามย่อมเกิดขึ้นแก่เด็กแต่ในการใดญาติทั้งหลายชักจูงบอกให้ถวายบอกให้ไหว้เด็กปฏิบัติอย่างนั้นได้ในการนั้นจิตดวงที่สี่ย่อมเกิดขึ้นแก่เด็กในการใดบุคคลอาศัยความไม่พร้อมแห่งทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้นหรือเหตุแห่งสมัสอื่นๆไม่มี เป็นผู้ปราศจากสมนัตในวิกัปทั้งสี่ในการนั้นจิตอุเบกขาสหัคตะสี่ที่เหลือจึงเกิดขึ้นแหละกามาวจรกุศลแปดโดยสมนัตอุเบกขาญาณและสังขารพึงทราบโดยในยะที่กล่าวมาชนนี้สนรูปาวจรกุศลมีห้า โดยประกอบขององค์ฌานรูปราวจรห้านี้เป็นฉไนรูปราวจรห้าคือรูปฌานที่หนึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขและสมาธิที่สองวิตกก้าวล่วงไปที่สามวิจารก้าวล่วงไปที่สี่ปิติคลายไปที่ห้าสุขตกไป ประกอบด้วยอุเบกขาและสมาธิอรูปาวจรกุศลมีสี่ด้วยอำนาจการประกอบแห่งอรูปสี่คืออรูปที่หนึ่งประกอบด้วยอากาสารนัญจาตนาชานที่กล่าวแล้วอรูปที่สองที่สามและที่สี่ก็ประกอบด้วยชานที่เหลือมีวิญญาณัญจาตนาชานเป็นต้น โลกุตรากุศลมีสี่ประกอบด้วยมรรคสี่กุศลละวิญญาณมีย1สิบเอ็ดอย่างดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกอกุศลละวิญญาณส่วนอกุศลละวิญญาณโดยภูมิก็อย่างเดียวคือเป็นการมาวจรภูมิเท่านั้น โดยมูลมีสามคือโลภะมูลโทสะมูลและโมหะมูลในสามมูลนั้นโลภะมูลมีแปดโดยประเภทแห่งสมนัะอุเบกขาทิฏฐิคตะและสังขารโลภะมูลแปดนี้เป็นอย่างไรโลภะมูลแปดคืออากุศลจิตเป็นสมณัสหคตะทิฏฐิคตะสัมปยุตเป็นอสังขารหนึ่งสัสังขารหนึ่ง เป็นฝ่ายโสมนัสหกตาสี่ที่เป็นทิฏฐิคตาวิปยุติก็อย่างนั้นคือเป็นอสังขารหนึ่งสังขารหนึ่งเป็นอุเบกขาสหกตาทิฏฐิขตสัมปยุต์เป็นอสังขารหนึ่งสังขารหนึ่งที่เป็นทิฏฐิขตาวิประยุติก็อย่างนั้นคือเป็นอสังขารหนึ่งสังขารหนึ่งอุเบกขาสหกตะสี รวมทั้งสองฝ่ายด้วยกันจึงเป็นแปดก็การใดบุคคลทำความเห็นผิดโดยในยะว่าโทษในกามทั้งหลายหามีไม่เป็นอาทิให้ออกหน้าเป็นผู้ร่าเริงยินดีบริโภคกามก็ดีเชื่อถือมงคลมีทิฐะมงคลโดยเป็นสาระก็ดีมีจิตกล้าแข็งตามสภาพไม่ได้ถูกชักจูงเลยในการนั้น อากุศลลจิตดวงที่หนึ่งย่อมเกิดขึ้นในการใดบุคคลมีจิตเฉยชาถูกคนอื่นชักจูงให้ทำในการนั้นอกุศลลจิตดวงที่สองย่อมเกิดขึ้นในการใดบุคคลมิได้ทำความเห็นผิดให้ออกหน้าเป็นแต่ร่าเริงยินดีเสพเมถุนก็ดีเพ่งเลลงสมบัติของผู้อื่นก็ดี ลักของผู้อื่นก็ดีมีจิตกล้าแข็งไม่ได้ถูกชักจูงเลยในการนั้นอกุศลจิตดวงที่สามย่อมเกิดขึ้นในการใดบุคคลมีจิตเฉื่อยชาถูกคนอื่นชักจูงให้ทาในการนั้นอกุศลจิตดวงที่สี่ย่อมเกิดขึ้น ส่วนว่าในการใดบุคคลเป็นผู้ปราศจากสมนัตในวิกัปทั้งสี่เพราะอาศัยความไม่พร้อมแห่งกรามทั้งหลายก็ตามเพราะความไม่มีแห่งเหตุของสมนัตอย่างอื่นก็ตามในการนั้นจิตอุเบกขาสหคตะสี่ดวงที่เหลือจึงเกิดขึ้นแลโลภามูลจิตแปดโดยประเภทแห่งสมนัตอุเบกขาทิฏฐิคตะ และสังขารพึงทราบโดยในยะที่กล่าวมาชนี้ส่วนโทสะมูลจิตมีสองเท่านั้นคือเป็นโทมณสหคตะปฏิฆาสัมปยุตอสังขารหนึ่งสังขารหนึ่งการเกิดขึ้นแห่งโทสะมูลจิตนั้นพึงทราบในการที่กล้าแข็งและเชื่อยชายแห่งจิตในโทษทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้น โมหะมูลจิตก็มีสองคืออุเบกขาสหคตะวิจิกิจชาสัมปยุตยหนึ่งอุททะสัมปยุตยหนึ่งความเป็นไปแห่งโมหะมูลจิตนั้นพึงทราบในการที่ลังเลและฟุ้งซ่านแห่งจิตแลอกุศลลวิญญาณมีสิบสองโดยในยะที่กล่าวมาชนี้ อัพยากริตวิญญาณอภพยากริตวิญญาณว่าโดยประเภทแห่งชาติมีสองคือวิปากจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งในสองชนิดนั้นวิปากจิตว่าโดยภูมิสี่คือกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิต ในสี่ภูมินั้นกามาวจรมีสองคือกุศลวิปากจิตและอกุศลวิปากจิตกุศลวิปากจิตเล่าก็มีสองคือเป็นอเหตุุกะและสะเหตุุกะในกุศลวิบาก 2- สองนั้นวิญญาณที่เว้นจากวิปากเหตุคือเหตุแห่งวิบากมีอโลภะเป็นต้นชื่ออเหตุุกกะ อาเหตุุกกนั้นมีแปดคือจักขวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุอันทำหน้าที่สัมปติชนะคือรับอารมณ์และมโนวิญญาณธาตุสองทำหน้าที่สันติรณะคือสอบสวนอารมณ์ในอาเหตุกกากุศลวิปากจิตแปดนั้น จักขุวิญญาณอาศัยจักสุแล้วรู้แจ้งรูปเป็นลักษณะมีอันทรรมแต่รูปเดียวให้เป็นอารมณ์เป็นกิจมีความเป็นธรรมชาติมุ่งหน้าต่อรูปอย่างเดียวเป็นผลมีอันไปปราดแห่งกิริยามโนทาาที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้โสตะวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณที่อาศัยโสตะเป็นต้นรู้แจ้งซึ่งเสียงเป็นอาทิเป็นลักษณะมีการทำแต่เสียงเป็นต้นอย่างเดียวให้เป็นอารมณ์เป็นกิจมีธรรมชาติมุ่งหน้าต่อเสียงเป็นต้นเป็นผลมีความปราดไปแห่งกิริยามโนท่าทั้งหลายมีเสียงเป็นต้นเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้มโนท่า มีอันรู้แจ้งซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นในลำดับแห่งวิญญาณมีจักขวิญญาณเป็นอาทิเป็นลักษณะมีการรับอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นกิจมีความเป็นอย่างนั้นคือเป็นสัมปติชนะเป็นผลมีความไปปราดแห่งวิญญาณมีจักขวิญญาณเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ มโนวิญญาณธาตุอันทำหน้าที่สันติรณะเป็นต้นทั้งสองมีอันรู้แจ้งอารมณ์หกในลำดับแห่งอเหตุ ก, กะวิปากะวิญญาณเป็นลักษณะมีการสอบสวนอารมณ์เป็นต้นเป็นกิจมีความเป็นอย่างนั้นคือเป็นสันติรณะเป็นต้นเป็นผลมีหัตยวัตถุเป็นเหตุใกล้ ส่วนความแตกต่างกันเป็นสองแห่งมโนวิญญาณธาตุนั้นเพราะประกอบด้วยสมอนัตหนึ่งและอุเบกขาหนึ่งและเพราะแยกเป็นทวิฐานและปัญจฐานจริงอยู่ในมโนวิญญาณธาตุสองนั้นดวงหนึ่งชื่อว่าเป็นสมอนัตสัมปยุตเพราะมีอารมณ์อันนาปรัถนาโดยส่วนเดียวเป็นสภาพจัดเป็นทวิฐาน เพราะเป็นไปในปัญจทวารและในวิถีวิญญาณมีชาวนะเป็นที่สุดด้วยอำนาจสันติรณะและตทารัมนะดวงหนึ่งชื่อว่าเป็นอุเบกขาสัมปยุตเพราะมีความเป็นไปในอิทธมัตชัตตารม์คืออารมณ์อนันนาปรัถนาแต่พอปานกลางเป็นสภาพจัดเป็นปัญจฐานเพราะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งสันติรณะตทารมนะ ปฏิสนธิภวังและจุติอันหนึ่งอเหตตกะวิปา ก, กวิญญาณทั้งแปดนี้ยังแบ่งเป็นสองเพราะมีอารมณ์แน่นอนก็มีและมีอารมณ์ไม่แน่นอนก็มีแบ่งเป็นสามโดยแยกเป็นอุเบขาสุขโสมนัสจริงอยู่ในวิญญาณเหล่านั้น วิญญาณทั้งห้าจัดเป็นนิยตารมเพราะเป็นไปในอารมณ์ห้ามีรูปเป็นต้นตามลำดับวิญญาณที่เหลือเป็นอนิยตารมเพราะในวิญญาณที่เป็นอนิยตารมนั้นมโนธาตุเป็นไปในอารมมีรูปเป็นต้นทั้งห้ามโนวิญญาณธาตุทั้งสองเป็นไปในอารมณ์หกส่วนวิญญาณสามนั้น กายวิญญาณประกอบด้วยสุขมโนวิญญา ณ, ณธาตุที่เป็นทวิฐานประกอบด้วยโสมนัสวิญญาณที่เหลือประกอบด้วยอุเบกขาแลวิญญาณแปดดวงอันเป็นอหตตกะในกุศ ล, ลวิบากพึงทราบโดยประการที่กล่าวมาชนนี้เป็นอันดับแรกในวงเล็บอัพญากริวิญญาณกามาวจรภูมิ กามาวจรกุศลวิบากเศหตุกะส่วนอัพยากายรตวิญญาณที่ประกอบด้วยวิปากเหตุมีอโลภะเป็นต้นชื่อว่าเศหตุก ะ, ะเศหตุกะอัพยากายรตนั้นก็มีแปดโดยสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเป็นต้นดังกามาวจรกุศลวิญญาณแต่เศหตุกะอัพยากายรตนี้ อาเหมือนกุศลวิญญาณซึ่งเป็นไปในอารมณ์หกด้วยอำนาจแห่งบุญกิริยามีทานเป็นต้นไม่เพราะสเหตุตุกะอัพยากริวิญญาณนี้เป็นไปในอารมณ์หกที่นับเนื่องในปริต ธ, ธรรมคือกามาวจรเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งกิดคือปฏิสนธิผวางจุติและตถารรมณะ ส่วนความเป็นสัจสังขารและอสังขารในสเสหตุกะอัพยากฤิวิญญาณนี้บัณฑิตพึงทราบด้วยอํานาจของที่มาเป็นต้นอันหนึ่งแม้เมื่อความแปลกการแห่งสัมปยุตรธรรมไม่มีก็พึงทราบว่าวิปากะวิญญาณเป็นธรรมชาติไม่มีอุตสาหะกําลังชักจูงดุดเงาหน้าบนกระจกเงาเป็นต้น ส่วนกุศลวิญญาณมีอุตสาหะกำลังชักจูงดุดใบหน้าของคนบนกระจกกามาวจรอกุศลลวิบากอากุศลลวิปา ก, กะวิญญาณเป็นอาเหตุุกะอย่างเดียวเท่านั้นอกุศลลวิปา ก, กะวิญญาณ น, นั้นมีเจ็ดคือจักขูวิญญาณ โสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมโนธาตที่ทําหน้าที่สัมปติชนะมโนวิญญาณธาตุชนิดปัญจฐานอันทําหน้าที่สันติรณะเป็นต้นอกุศลวิบากเจ็ดนั้นว่าโดยลักษณะเป็นต้นพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในอเหตุตกะวิบากฝ่ายกุศลนั้นเถิด เป็นแต่กุศ ล, ลวิปากวิญญาณเป็นอิทธารม่มและอิทธมัชตาอารมณ์เท่านั้นอกุศลวิปากวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นอนิถาร่์และอนิธรมัชตารมณ์อันหนึ่งกุศลวิปากวิญญาณเหล่านั้นมีสามโดยประเภทคืออุเบกขาสุขโสมนัส อกุศลวิปากวิญญาณทั้งหลายมีสองโดยประเภทคือทุกข์และอุเบกขาในอกุศลวิปากวิญญาณนี้กายวิญญาณอย่างเดียวเป็นทุกขะสหคตะที่เหลือเป็นอุเบกขาสหคตะอุเบกขาในอกุศลวิปากวิญญาณก็เป็นอุเบกขาอย่างเลวไม่เฉียบนักคล้ายทุกข์ อุเบกขาในฝ่ายกุศลวิบากทั้งหลายเป็นอุเบกขาอย่างประนีตแต่ก็ไม่สู้เฉียบคล้ายสุขกามาวจรวิปากวิญญาณมี23โดยรวมกุศลวิบากเจดนี้และกุศลวิบาก16ที่กล่าวมาแล้วด้วยประการชนนี้ รูปาวจร อ, อรูปาวจรและโลกุตระวิบากส่วนรูปาวจรวิบากวิญญาณก็มีห้าประดุษรูปาวจรกุศลแต่รูปาวจรกุศลเป็นไปในชวนะวิถีโดยทางสมาบัติรูปาวจรวิบากเป็นไปในทางปฏิสนธิผะวังและจุติอันหนึ่ง รูปาวจรวิบากมีสี่ชั้นใดแม้อรูปาวจรวิบากก็มีสี่ชั้นนั้นแม้ประเภทแห่งความเป็นไปของอรูปาวจรวิบากก็มีในยะดังกล่าวแล้วในรูปาวจรวิบากโลกุตระวิบากจัดเป็นสี่เพราะเป็นผลของจิตที่ประกอบด้วยมรรคสี่เป็นไปสองทางคือทางมรควิถีหนึ่งและทางพระสมบัตหนึ่ง วิปากวิญญาณทั้งสิ้นมีสาสกในภูมิสี่ดังกล่าวมาชนนี้กิริยาวิญญาณส่วนกิริยาวิญญาณโดยประเภทแห่งภูมิมีสามคือกามาวจรรูปาวจ อ, อรูปาวจรในสามภูมินั้นกามาวจจรมีสอง คืออเหตุกะและสเหตุกะในสองอย่างนั้นกามาวจรกิริยาวิญญาณที่เว้นจากกิริยาเหตุมีอโลมหะเป็นต้นชื่อว่าอาเหตุกะอเหตุกะนั้นมีสองโดยแยกเป็นมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุในอเหตุกะสองนั้นมโนธาตุมีการนำหน้าวิญญาณ มีจักขู่วิญญาณเป็นอาทิรู้แจ้งอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นลักษณะมีความรังพึงเป็นกิจมีความเป็นธรรมชาติมุ่งหน้าต่ออารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นผลมีความตัดขาดผวังเป็นเหตุใกล้มโนธาตนั้นเป็นธรรมชาติประกอบด้วยอุเบกขาเท่านั้นส่วนมโนวิญญาณธาตฺ มีสองคือสาธารณะแก่พระอเศขะพระเศคะและปุถุชนหนึ่งไม่ทั่วไปคือเฉพาะพระอเศขะหนึ่งในสองอย่างนั้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นสาธารณะได้แก่อเหตุุกะกิริยาที่เกิดพร้อมกับอุเบกขามีอันรุจแจ้งอารมณหกเป็นลนะักษณะมีโวตทัพณะและอวัชนะ ในปัญจทวารและมโนทวารโดยอำนาจแห่งกิจคือวัฏพนะทำกิจในปัญจทวารส่วนอวัชนะทากิจในมโนทวารเป็นกิจมีความเป็นเช่นนั้นคือมีวัฏพนะและอวัชนะเป็นผลมีความไปปราดแห่งอเหตุกะวิบากมโนวิญญาณธาตุในวัฏพนะการและภวังในอวัชนะการ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุใกล้ส่วนมโนวิญญาณธาตุที่ไม่ทั่วไปได้แก่อเหตุกกะกิริยาที่เกิดพร้อมกับโสมนัสมีอนันรูแจ้งอารมณ์หกเป็นลนะักษณะอันยังความยิ้มแย้มในเพราะวัตถุไม่ดีอะไรนักให้เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยอํานาจแห่งกิจเป็นกิจมีความเป็นอย่างนั้นคือเป็นหสิตุ ป, ปาทะ เป็นผลมีหัตยาวัตถุเป็นเหตุใกล้โดยส่วนเดียวเพราะเกิดแต่ในปัญจโวการพบเท่านั้นการมาวจจริยาวิญญาณที่เป็นอเหตุกะมีสามดังกล่าวมาชนีส่วนที่เป็นสาเหตุกุกะมีแปดโดยต่างแห่งสัมปยุตรธรรมมีสมนัสเป็นต้นเหมือนกุศลวิญญาณ ต่ที่แปลกกันระหว่างกุศลวิญญาณและกิริยาวิญญาณคือกุศลวิญญาณย่อมเกิดแก่พระเสขะและปุถุชนเท่านั้นกิริยาวิญญาณเกิดแก่พระาอารหันต์พวกเดียวกิริยาวิญญาณที่เป็นกามาวจรมีส1อดดังนี้เป็นข้อแรก่วนที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรมีหและสเหมือนกุศลวิญญาณ ความแตกต่างจากกุศลวิญญาณของกิริยาวิญญาณทั้งสองนั้นก็พึงทราบโดยว่าเกิดขึ้นแก่พระอระหันต์เท่านั้นกิริยาวิญญาณทั้งหมดในสามภูมิเป็นยี่สิบดังนี้วิญญาณทั้งปวงเป็นไปโดยอาการสิบสี่โดยประการดังกล่าวมานี้ วิญญาณทั้งสิ้นมีกุศลวิญญาณ21อกุศลวิญญาณสิองวิปากะวิญญาณ36กิริยาวิญญาณยี่สบรวมเป็นวิญญาณ89เป็นไปโดยอาการ14ด้วยอำนาจแห่งปฏิสนธิผวังอวัชนะทัศนะคือการเห็นสวนะได้ยินขายณะได้กลิ่นสายณะได้รสพุสนะ ได้ถูกต้องสัมปติชนะสันติรณะวัฏพณะชาวนะตัธารมณะละจุติถามว่าเป็นอย่างไรแก่ว่าปฏิสนธิในการใดสัตว์เกิดในเทวโลกหรือมนุษยโลกโดยอนุภาพแห่งกา마วจรกุศลแปด ในการนั้นวิปากจิตเก้าดวงคือสเสหตุกะกามาวจรวิบากแปดและอหตุกะวิปากะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอุเบกขาสหกตะเป็นวิบากแห่งทวิเหตุกะกุศลอย่างอ่อนของพวกสัตว์ที่ถึงความวิกลมีกระเทยเป็นต้นในหมู่มนุษย์ย่อมทำกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ปรากฏในเวลาใกล้จะตายให้เป็นอารมณ์เป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิในการใดสัตว์ทั้งหลายเกิดในรูปประพบและอรูปประพบโดยอนุภาพแห่งรูปราวจรกุศลและอรูปราวจรกุศลในการนั้นรูปราวจรวิปากจิตและอรูปราวจรวิปากจิตเก้าดวงย่อมทากรรมนิมิตที่ปรากฏในเวลาใกล้จะตายแห่งสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์ เป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิอันหนึ่งในการใดสัตว์เกิดในอาบายด้วยอนุภาพแห่งอกุศลในการนั้นไอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากแห่งอกุศลดวงหนึ่งย่อมทํากรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏในเวลาใกล้จะตายแห่งสัตว์เหล่านั้นให้เป็นอารมณ์ เป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิแลความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณสิบดวงด้วยอำนาจปฏิสนธิบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาในวิญญาณคัขันทานิเทศเป็นอันดับแรกในอาการสิบสอธิบายผวังเมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับ คือทำจิดเสร็จแล้ววิญญาณชื่อผวังคอยติดตามปฏิสนธิวิญญาณนั้นๆอยู่เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นๆอย่างเดียวกับปฏิสนธิวิญญาณนั่นเองอันเป็นเช่นนั้นในอารมณ์มีกรรมเป็นต้นนั้นเป็นไปเมื่อจิตตุบาทอื่นที่เป็นเหตุอย่างความสืบต่อแห่งะวังให้หมุนกลับไม่มีผวังค้าวิญญาณนั้น ยอมเป็นไปในความหลับเป็นต้นแห่งผู้ไม่ฝันโดยอาการสืบต่อเช่นนั้นอีกแล้วก็เป็นเช่นนั้นอีกดังนี้จะนับประมาณจำนวนจิตไม่ได้โดยแท้ดังกระแสน้ำาฉะนั้นความเป็นไปแห่งวิญญาณเหล่านั้นแลแม้ด้วยอำนาจแห่งผวังพึงทราบดังกล่าวมาชนิ้ อธิบายอาวัชนะเมื่อความสืบต่อแห่งพวังเป็นไปอย่างนั้นในการใดอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายควรแก่การรับอารมณ์ในการนั้นเมื่อรูปถึงคลองจากสุขเข้าความประสานเข้าระหว่างจากสุขประสาทกับรูปก็มีขึ้นโดยอนุภาพแห่งความประสานกันพวังขาจารณะก็มีขึ้น รันผ่าวางดับไปกิริยามโนธาตุทำรูปนั้นนั่นแลให้เป็นอารมณ์เป็นดังตัดผ่าวางอย่างอาวชนากิจกิจคือความคำนึงถึงอารมณ์ให้สําเร็จเกิดขึ้นในโสทวานเป็นต้นก็ดุดในยะนี้แต่ในมโนทวานเมื่ออารมณ์ทั้งหกมาถึงเข้าอเหตุกะกิริยามโนวิญญาณธาตุที่สหคตะ กับอุเบกขาเป็นดังตัดผวังอย่างอาวัชนากิจให้สำเร็จเกิดขึ้นในลำดับแห่งผวังคจรณะแลความเป็นไปแห่งกิริยาวิญญาณสองดวงด้วยอำนาจอาวัชนะพึงทราบดังกล่าวมาชนี้อธิบายทัศนะสาวนะขายนะสายนะ และผุะ้ชนะในลำดับแห่งอวัชนะข้อแรกจกักุวิญญาณอันมีจักรสุปรสศาทเป็นที่ตั้งอย่างทัศนากิจกิจคือการเห็นให้สำเร็จเป็นไปในจกักรทวานโซตัทวาลขานัทวาลชิวหาทวานกายทวาลวิญญาณยังกิจมีส่วนกิจเป็นต้นให้สำเร็จ เป็นไปในทวารมีโสตทวารเป็นอาทิวิญญาณที่เป็นไปในอารมณ์น่าปรารถนาและน่าปรารถนาปานกลางเป็นกุศลวิบากที่เป็นไปในอารมณ์ไม่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาปานกลางก็เป็นอกุศลวิบากความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณสิคือเป็นกุศลวิบากห้าอกุศลวิบากห้า ด้วยอำนาจแห่งทัศนะการเห็นสศวนะได้ยินขายนะได้กลิน่นสายนะได้รสผุดสนะได้ถูกต้องพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้อธิบายสัมปติชนะโดยพระบาลีว่าจิตมโนมานัตเป็นต้น มโนาธาตุอันเกิดแต่จิตนั้นที่เป็นไปในลำดับแห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นดับไปแล้วย่อมเกิดขึ้นดังนั้นเป็นต้นมโนธาตุที่เป็นไปในลำดับแห่งวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นหากเป็นไปในลำดับแห่งกุศลวิปากวิญญาณก็เป็นกุศลวิบากหากเป็นไปในลำดับแห่งอกุศลวิปากวิญญาณ ก็เป็นอากุศ ล, ลวิบากทำกิจรับเอาอารมณ์แห่งวิญญาณเหล่านั้นแหละเกิดขึ้นความเป็นไปแห่งวิปา ก, กวิญญาณสองด้วยอำนาจแห่งสัมปติชนะคือรับเอาพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้อธิบายสันติรณนะอันหนึ่งเล่า โดยพระบาลีว่าจิตมโนมานัตเป็นต้นมโนวิญญาณธาตุอันเกิดแต่จิตนั้นย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งมโนธาตุที่เกิดขึ้นดับไปแล้วดังนี้เป็นต้นวิปากะอเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นลำดับแห่งอกุศลณวิปากะมโนธาตุก็เป็นอกุศลวิบากที่เป็นลำดับแห่งกุศลวิปากะมโนธาตุ ก็เป็นกุศลวิบากที่เป็นไปในอิทารมณ์ก็เป็นโสมนัสสหคตะที่เป็นอิทธมาชตาอารมณ์ก็เป็นอุเบกขาสหาคตาทำกิจสอบสวนอารมณ์ที่มโนธาตุรับเอาไว้นั่นแหละเกิดขึ้นความเป็นไปแห่งวิปา ก, กวิญญาณสามโดยอำนาจแห่งสันติรณะคือสอบสวนพึงทราบดังกล่าวมาชะนี้ อธิบายวาัฏัพนะกิริยาเหตุกะมโนวิญญาณธาตุเป็นอุเบกขาสหัคตะวิเคราะห์ดูอารมณ์นั่นแหละเกิดขึ้นในลำดับแห่งสันติรณะแหละความเป็นไปแห่งกิริยามโนวิญญาณดวงเดียวด้วยอำนาจแห่งวัฏัพนะคือวิเคราะห์ดูพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้ อธิบายชาวนะในลำดับแห่ง ว, วัฏพณนะถ้าอารมณ์มีรูปเป็นต้นมีมหันตารมณ์คืออารมณ์ใหญ่ที่นั้นชาวนะหกหรือเจ็ดดวงย่อมแล่นไปในอารมณ์ตามที่วัฏพนะวิเคราะห์ไว้แล้วด้วยอำนาจแห่งกามาวจรกุศล8ปดบ้างอากุศลสิบสองบ้างกามาวจรกิริยาที่เหลือเก้าบ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เป็นในยะในปัญจทวารเท่านั้นส่วนมโนทวาร伽มาวจรชวณะยีย่อมแล่นไปในลำดับมโนทวาราวัชนะต่อแต่โคตรภูไปบรรดาชวนะเหล่านี้คือทางรูปาวจรกุศลชวณะหกิริยาชวณะห้ทางอรูปาวจรกุศลชวณะสี่กิริยาชวณะสี่ทางโลกุตระมักขจิตสี่ ผลจิตสี่ชาวนะใดๆได้ปัจจัยแล้วชาวนะนั้นๆย่อมแล่นไปแลความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณเป็นกุศลอกุศลและกิริยารวมห้าสิบห้าดวงด้วยอำนาจชาวนะพึงทราบดังกล่าวมาชนี้อธิบาย สถารัมณนะในที่สุดแห่งชวนะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอติมหันตารม์คืออารมณ์ใหญ่ยิ่งในปัญจทวารและเป็นวิภูตารมณ์อารมณ์ที่ปรากฏชัดในมโนโทวารไซที่นั้นวิปากวิญญาณในบรรดาเหตุตุกะกามาวจรวิบากแปดและวิปากาเหตตุกะ มนโนวิญญาณธาตุสามอย่างใดอย่างหนึ่งอันติดตามชาวนะแล่นไปในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ของผวังดังน้าอันไหลทวนกระแสไปติดตามเรือที่แล่นไปทวนกระแสในระหว่างขณะนิดหน่อยย่อมเกิดขึ้นสองขณะหรือขณะเดียวกันด้วยสามารถของปัจจัยนั้นตามที่ตนได้ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์มีอิทธารมเป็นอาทิ และแห่งปุริมกรรมและแห่งจิตมีชาวนะจิตเป็นต้นในที่สุดแห่งกามาวจรชาวนะของกามาวจรสัตว์ทั้งหลายวิปากวิญญาณนี้นั้นเป็นจิตควรแก่ความเป็นไปในอารมณ์ของะวังในที่สุดแห่งชาวนะแต่เพราะมันทำอารมณ์ของชาวนะนั้นให้เป็นอารมณ์เป็นไปอีกจึงเรียกว่าตทธารมณะ มีอารมณ์ของชาวนะนั้นเป็นอารมณ์ความเป็นไปแห่งวิปากะวิญญาณสิบเอ็ดดวงด้วยอำนาจแห่งตถารรมณะพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้อธิบายจุดติในที่สุดแห่งตถารรมณะพะวงนั่นเองเป็นไปอีก ครันผวังขาดวิถีวิญญาณมีอาวชนะเป็นต้นก็เป็นไปอีกแลจิตสันดานที่มีปัจจัยอันได้แล้วอย่างนี้ยอมเป็นไปแล้วๆ้เล่าๆด้วยอำนาจแห่งจิตตนิยมคืออาวชนะยอมมีในลำดับแห่งผวังวิญญาณกิจมีการเห็นรูปเป็นต้นย่อมมีในลำดับแห่งอาวชนะดังนี้เป็นอาทิอยู่นั่นเอง จนกว่าผวังในภพหนึ่งจะสิ้นไปจริงอยู่ในภพหนึ่งผวางขจิตดวงใดเป็นดวงสุดท้ายผวังขจิตดวงนั้นท่านเรียกว่าจุติจิตเพราะเคลื่อนไปจากภพนั้นฉะนั้นแม้จุติจิตนั้นก็มีสิเก้าดวงเหมือนกันกับปฏิสนธิจิตและผวังขจิต ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณสิบเกดวงด้วยอำนาจแห่งจุดติพึงทราบดังกล่าวมาชนี้จิตตสันดานอันไม่ขาดสายของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ในภพคติทิติและนิวาสทั้งหลายยอมเป็นไปดังนี้คือจากจุดติก็ปฏิสนธิอีกต่อปฏิสนธิ ก็ผวังอีกอยู่นั่นเองแต่ในสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านผู้ใดได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อจุติจิตของท่านดับแล้วจิตก็เป็นอันดับที่เดียวแลนี้เป็นคาถากอย่างพิสดารในวิญญาณขันธ์